ฟังตอนนี้ก็เพิ่งไปคุยกันติดปากก่อนปากคนเราตัวดีปากเนี่ยไม่อุดปิดได้ ป, ดปากปิดกันไม่ได้เ <c oughs> มื่อพูดถึงภาพบรมวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ โบรมาณหลายคนจะ <c oughs> โอบนั่งโกคือนอมมกนกันตัวเองคนอื่นเขาเรื่อมทำเราทำเป็นใหญ่ก็เรื่อมทำวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่วันคล้ายวันประสูติรุลปีธ่านของพุทธเจ้า <c oughs> ส่วนเรื่องโลก วันนี้เป็นค้ายวันประสูตรของเสด็จพระราชนิพยายานธ์พระาจสิทาในวันที่สามในวันนี้เพราะนั้นวันช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการเจริญจงบนถวายโปร่งหลังจากถวัดเช้าและปฏิบัติธรรมถวายโปรองทันในวันนี้ในวันสําคัญ วันนี้จะได้ขยายความเอาพระบ ร, รมกติของสเพระสังฆราชจะได้ประทานนะกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในวันวิสาข บ, บูชาวันนี้โดยสรุปไม่ได้อ่านให้ฟังทั้งหมดคือมาเซอร์ห้ฟังเป็นภาษาของเรา วันนี้ท่านประพบถึงการเป็นวันคลายวันประสูติตัดรู้ผู้พิพานของปุตตะการทํามาคือท่านปรองท่านให้ชวนให้พวกเรารมรึกนึกถึงคุณของพระตนาจัยคือคุณของปุต้าคุณของพระธรรมคุณของพร ะ, ร ะ, ะอริยสง์ คนของพระเจ้าคือพระปัญญาติคุณพบริสุทธิคุณพระมหาคุณติคุณอนี้เราก็ท่องเป็นลนกแก้วนกคุณทองหลังจากนั้นต้ก็พรนนานให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติโดยความนี้คือปฏิบัติบูชามากกว่าอาบิสามบูชานะวันนี้ เราเนี้ยเราพูดมาเป็นพันปีมาแล้วพูดมาทุกปีก็โพ๊บ ก, ก, กันอย่างนี้เราทํามาก็ทํากันอย่นี้เวลาทําก็จัดตัวพธิธีคือสอนใจแล้วพวกเราก็จะเอาพิธีกรรมเป็นหลักโดยไม่รู้ความหมายโด ย, ยเฉพาะยิ่งคืในภาคปฏิบัติอย่างเช่นที่เราทําทุกวันเริ่มต้นจากตัวว้พระ สมาทานศีลก่อนนั้นนั้นกระจุดเทียนทูบบูชาพระราตรใจไหว้พระสมาตยตาเสกอันนี้เ ป, นเป็นเสร็จสมเด็จลูปมรบมีร ม, มรบมากที่ไหนก็ทํากันอย่างนี้อืมแต่นี้ในทางตามปฏิบัติทาาําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมทำไหว้พระก็สมาทานศีลก่อนนั้นนั้นก็จุด เทียนทุบบูชาพระรัตนใจใจเข้าว่าอย่างนี้สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นเพียงกันสัญญาคือจำจำไปตามกันมาว่าถึงเวลาก็ทำอย่างนี้แหละมันไม่เกิดปัญญาพลประการแรกที่เราภาวนาโดยบูชาคุณของพระเจ้าคือพระปัญญาที่คุณ ท่านจะที่เกิดปัญญาคือมองสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดปัญญามันเงั้นมันก็ได้สัญญาอย่างนี้แหละเหมือนพู้เราจำจำวันนี้เอามันเกิดอันนี้มันวันแก่นี่นี่นะมันน่าจะจัดวันแก่นางมีแต่วันเกิดวันตายวันแก่นี่ไม่จัดกันโหทัศ ถ้าจัดวันแก่ได้คงจัดทุกวันนะฮะเพราะนี่วันแก่วันเจ็บก็เหมือนกันเราเราไม่จัดงานกันเรจัดงานจัดงานวันเกิดอย่าง น, นี้แต่วันตายนะี่หมดสิกัจนะไม่มีใครจัดวันตายได้ตอนนี้คือสิ่งที่พูะเจ้อมองเห็นตั้งแต่ก่อน ออกจากความต้องการยังไม่ได้บวชพวกเราไม่ง่ายท่านเห็นสิ่งเหลนี้เห็นกันเกิดแก่เจ็บตายล้วไม่ได้เห็นอย่างพวกเราเห็น mm hmm. พวกเราก็เห็นกันสัตว์ที่ว่าเห็นไปวันวันแล้วก็ไม่เกิดปัญญาอะไรเพราะอะไรเพราะาเราไม่คิดกั น, นะ mm ่ะ hmm. ประการแยกกันเราไม่ใช่ควคิด mm hmm. ไม่ได้สมัคระวังไม่ได้สะสมสิ่งเหล่านี้ ความคิดก็คือสมองหัวสีสารคณะส่วนบนที่สุดคือผู้ดูเจ้าชี้ให้เราเรียนรเรื่คือที่สําคัญคส่วนหัวเนี่ยไม่ใช่แคถือแค่ถือว่าหัวเป็นของสูงมันไม่ใช่สูงไม่ได้ต่ําแต่หัวเป็นศูนรวมของความไหยานละถ้าคิดไม่เป็นทำไม่มีปัญญามันก็กลายเป็นไายานละเอง รูกปืนลูกระเบิดมาจากไหนนั่นหละพความหายนั่นนะเอว่าเก่งจงข้ามอภัยเจ้าไม่ใช่กำลังเบืงต้นที่พวกเราทำทั้งหมดถ้าเราพิจารณาให้เข้าใจเตื้องต้นวาพระ้ายพระคือพายคุณพุทธิจาวัตถุมารีย์สมคคำว่าไพระ เป็นภาษาเรานี่ง่ายคือทุกคนใจนี้ไปทําใจให้เป็นพระนะ mm hmm. คือเตรียเขาพร้อมเหนกันเมื่อจบแบก จ, จบแบกก็ใจต้องแจกด้วยใจสิบคนสิบบาทร้อคนร้อยบาทแค่พูดคนละคําตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอนะมาเป็นร้อยคนเนี่ยที่พอทําไมต้องเออไหว้พระคือทําใจให้เป็นพระนะทําไมพอทาใจเป็นพระ พราะพระมันสูงกว่ามนุษย์สูงกว่าคนสูงกว่าซาตสิทิ์ที่เป็นพระไม่ใช่กายเป็นร่างส่วนกายเป็นพร ะ, ะ, พระเราก็เรียนกันอยู่มันเด็กก็เดือดร้อนจะเป็นสมมุติสงฆ์ที่ไม่ใช่แบบอริยะสงฆ์ไม่ลำบากเราก็จะไปเป็นหวังคนนี้เพราะฉะนั้นเตรียมใจให้พระวใจเราเลยเป็นพระมันสูงกว่าใจสูงจิตใจเปิดเิย จิตใจรือไ้ต้องทงายังไงคนที่ไงจรินรอยตามพระพุทธองค์คือต้องมีปัญญามีความจริงใจมีความบสุทิจใจฉลาดจิตใจสงสารเด็สื่อกันคือไม่ต่างให้อภาาัยให้อโหสิบต่อกันและกันมีความหมายมันลึกซึงไม่ใช่การสมานสวรคกค็ตโสุขใจกันแล้วกันแล้วก็ไป พอเส็นกนใจใจใจะเจเหมือนเดิมแล้วพอเราคิดไมได้เพราะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมคือจุดเทียนจุดธูจุดเทียนก็บอกว่าโอ้ทาไมต้องมาจุดเทียนกรรมปันสว่างโลกๆทำไมแล้วมา จ, จุดเทียนมันเป็นพิธีศนรานเร็่มที่หนึ่งเริ่มที่สองก็คือบูชาธรรมกับบูชาวินัย เพื่อธรรมะ ก, กับวินยัยหรือวินัยกับธรรมะถ้าพูดง่ายๆคือบูชาคำสั่งบูชาคำสอนคำบูชาคำสั่งคืออะไรคือสิ่ น, นี่แหละสิ่งเป็นคำสั่งถ้าเป็นพานะคือวินยัยเป็นสั่งคำสั่งแปลว่าจะต้องปฏิบัติคือจะต้องทํานี่คือสั่งส่วนคําสอนคือธรรมะ อันนี้คุณทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ใครไม่ทําคนนั้นก็ไม่ได้ใครทําคนนั้นก็ได้ใครกินคนนั้นก็ได้ไประโยชน์อาหารเหมือนตอนนี้ความกระเด็นโตเต็มบัตรเ็มอยู่แล้ไปนั่งมองตาปิดๆตอนนี้ไม่หยิบข้าปากอันนี้คือธรรมะคือเนื้อของธรมมรมะส่วนเราหิบข้าปากก็คือปฏิบัติเมื่อหยิบข้าปากเสร็จแล้วเปรียวหวานมันเคม็มเราจะรู้เอง แต่อต้องไปถามใครว่าอ่านเปรี้ยวหวานเค็มนั่ น, น, น, ค, น, นคือรสประทับคถามก็มคือเราได้รับรถของปรมหรื อ, อยังยังกระเพาะเรายังไม่ได้หยิบเข้าปากเลรู้แต่ว่าธรรมะมันดีรู้ว่าอาหารมันดีแต่ไม่หยิบเข้าปากมันจะได้ไประโยชน์อะไรธรรมะขอย่างนี้คือประโยชน์เทียนก็คือ คำสั่งนะคำสอนต้องระวัตระวนะังนั้นต้องตัดตามต้องปฏิบัติตามขอม้อหมายถ้าเป็นอย่างนี้อย่างั้นก็จุดทุกวันก็ไม่ได้อะไรเป็นการจุดคนแล้วคนเน่าเรียกว่าได้สัญญาคือจําแต่ไม่ได้เป็นอย่างคุณคิดไม่ได้สุดท้ายแล้วก็อยู่กันนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นวราธ ร, รก็ปฏิทิศสำหรับพนะท่านประทานมาในวันนี้จ้งมากก็คือ คนที่เข้าใจเสม่นี้ได้คือจะอยู่กับสิ่งนั้นได้พูดง่อยู่กับโลกบางทได้เราต้องเข้าใจที่เป็นรูปธรรมของเพราะว่าธรรมะมันเป็นธรรมก็อเอารูปธรรมเพื่ออธิบายนามธรรมเช่นจะอธิบายของขทั้งหมด ท, ที่เราพูดมาทั้งหมดคือจุดเทียนจุดทูปไหว้พระบูชาพาาระธรรมภารยสั ถ, ถ้าอธิบายแบบง่ายๆภายใสองสามวินาทีจบคือก็เหมือนกั้เป็นไม้ก็จะเรียกว่าต้นอะไรก็แล้วแต่ผลหม้หน้าไม้ก็จะเรียกว่าเป็นต้นอะไรก็ได้เรามาดูว่าต้นไม้มันเป็นอย่างไงมันก็เริ่มจากมาเล็กถ้าจะพูดถึงมาเล็กตอนนี้นึงไม่ออก เอาไปมันหยาดยาดไปตอนไม้คาพรวมง่ายง่ายคือเอาจนตอนโตตอนโ ต, ต, นโตแล้วมันมีเปลือกพี่พี่มีสิเกตแล้วก็มีแก่งหลักการก็เก่การรักษาพี่เราออกผลมาเริ่มต้นจากอะไรจัดกามะเล็กมีมาเล็กพิด น, นึงนะ แล้วต้นไม้ตอนนี้มันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่บนดินมัอยอากาศไม่ได้ถึงมันรอดได้มันก็ต้องมีดินเปตัวยึดไป็ตัวเกาะตัวที่มันยึดมันเกาะที่มันตั้งอยู่นั่นแหละคือพื้นฐานคือแผ่นดินทุกอย่างบนโลกไี่ตั้งบนดินเท่านั้น เป็นตั้งอยู่บนพวกนี้ก็พวกน้ตั้งอยู่บนดินมีดินเป็นท่ตถ้งทำไดินมัอยู่ไปได้เพราะนั้นท่านบอกว่าใครที่ไม่มีศีลผูนน้นั่งบนตุกโมนี้ไม่ดินอยู่คือไม่มีที่ตังจิัความศีลจึงเป็นพื้นฐานนะครับเรารับทั้หในโลกนี้ คณะบูชยนันตัดนถูกต้นในหลวพ่อบอกศีคือพื้นฐานนะเราต้องีรู่ทำศีลกันทุกวันเาเห็นพระขอศีลจริงไม่ขอก็ได้เมื่อละไวา้พระทำไมไม่เห็นพระนำเลยหลังสัมมาสัมพุทธสุนทรภพนนแต่พอถึงศีลก็ต้องพระไปก่อนให้เพราะเราเ็เจใจตรงกันว่าพราะเป็นคนมีศีลจึงขอศีลให้ จริงๆเราสมารทานเองไนดะ้ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าวันไหนขึ้นไม่เจอพระเราต้องมีศีลกันะวันไหนอยู่บ้านไม่เจอพระเราต้องรักษาศีลกันถ้าคิดอย่างนี้ก็แปลว่าเจ็ดวันก็เจอพระถ้าได้รมาถ้าอะไรมาก็คือในเจ็ดวันไม่มีศีลทั้งตัวอันนี้ใช้ได้เลยอ น, นี้คือสัญญาล้วก็จำเพราะฉะนั้นคำว่าศีลจริงๆคือ เอาแค่กายรักษากายรักษาจานะมันเป็นสิ่ทันทีเดินก็ไม่ขอเลยสิ่งทางปฏิบัติตอนนี้มีใครมาที่หลังมานั่งปุ๊บมันเป็นสิ่ทันทีแค่รักษากายรักษาวจานหรือรษาปางนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องภาษายากมากๆภาษาปางอันนี้คือสิ่เหมือนตอนสมาธินั่นเป็นต้นไม้ของมันลําต้นมันเริ่มตั้งต้นได้มันคงแข็งแรง มันก็เติดใจได้แต่ใครไม่มีสติเหมือนต้นไม้เนี่ยมาเติบโตไม่ได้ส่วนเรื่องกิ่งกา้ า, านสาขาที่เรออกผลมันเป็นธรรมชาติของมันเองต้นไม้คือยอดก็คือปัญญามันจะเป็นผลดอกออกผลของมันเองทั้งสามส่วนนี้จะใครเป็นคนปฏิบัติใครเป็นคนทําไปจะทําตอนไหนถ้าเป็นต้นไม้ก็ทําอะ ทำตอนมันแก่แล้วไม่ทําตอนเป็นหนุ่มตอนเป็นไม้อันนี้คือสื่อสมาธิปัญญาที่เห็นชัดเจนทีนีน้ถ้าถานว่าคนที่สิ่งที่มันมีสมาธิก็มีปัญญาก็มีมีเกิดอะไรขึ้นผู้เราลองนึกตามว่าถ้สิ่งนี้ไม่ครบตลอดแก่นั้น่ะ ทำมกไสมต้นไม้นะแต่เผอิตไม้ก็มารู้ตายอ่าง้อลมถึอตายไปต้นไม้ไม เ, ยยมเขาก็มีลมหายใจเหมือนกันถ้าไม่มีลมเขาอยู่ไม่ได้เขามีอากาศเออมีการหายใจก็มีอาหารเหมืนอนพวกเราดื่มน้าไปเราเหมือนเเขาไม่มีวิญญาณอย่างเรากันอะีกคือคนตาย พราะนั้นถ้าต้นม้นี่ลงแล้วมันเหลืออะไรมันเลยอแต่เมล็ดของมันมันก็เกิดใหม่อีกทีนี้คนมันคีอถึงคนนั้นมันเสมอของทุกอย่างของต้นไม้ทเก็บไว้ที่เมล็ดเปลว่ยนวัตถุได้ที่ยังเมล็ดอยู่มันต้องไปเกิดแน่นอนจิตของเราเราเหมือนการตัวที่เก็บ ที่เป็นมเมล็ดคือจิตมันเก็บสิ่งสมาธิปัญญาเอาไว้นี้จิตพอเกิดใหม่หมายก็ว่าต้นไม้ตัวนี้อยู่ไม่ได้ซึ่งมันไม่มีต้นไม้ตัวนี้อยู่ได้ผู้แข็งไม่มีใครไม่ตายพอตายแล้วก็ตัวนี้แหละตัวนี้ข้อแตกต่างระหว่างเรารือทั้งหลายกับคุณอาจารย์พระสงฆ์องค์เราความเต่างกันคือเกิดเจ็บตาย อันนั้นไม่ต่างกันเหมือนกันแต่แต่ที่แตกต่างกันกับที่ไม่ต่างกันมันเหมือนไม่เหมือนพวกเราเช่นผู้เสเจ้าติตอนนี้ถ้าไม่มาเกิดเป็นพวกเราไม่ได้มาเกิดซ้ำซากเป็นพวกเราวิ่คือะหอแตกต่างมาเล็ดของท่านไม่เกิดแล้วของเราเป็นเข้าสารของทยเป็นเข้าเปลืก วันํางนี้นก็ไม่เกิดเพากระทะเอาหมดแล้วแตนที้เราเป็นขาวสารเข้าปุ๋ยเราคงจะนึกได้ไม่ต้องบอกเพีนยงแต่ถ้าเป็นมันก็อย่างนี้นมันก็มาเกิดมาเกณมาเจ็บ ม, มาตายเพราะฉะนั้นวันนี้จึมเปวันที่วอนคล้ายพูดง่ายคือวนประสูติรูปไม่ได้มเจอว่าการเกิดของพุทธิจาก็ไม่เหมือนกกพวเรา การดำรงชีวิตยอยู่ของผู้เราก็ไม่เหมือนกับเราการตายไปแล้วก็ไม่เหมือนกับพกเราพระองก่อนที่เกิดเกเป็นพุทธเจา้าบำเพ็ญสมณะธรรมานับไม่ท่วนเรีกกเป็นแสนกับไม่นับเป็นปีเป็นชาติมันอาจจะนับแค่กับอย่างพวกเราก่ อ, อยังเป็นพุทธเจา้า ผู้ชายคจะมาสอนพวกเราได้เหมือนผู้อาจารย์ <c oughs> ก่อนที่จะมานั่งผู้สอนได้พวกเราให้เกิดสติปัญญาได้ไม่ใช่ธรรมานะเป็นเอาตายทดสอบทดลองลองผิดลองถูกอันนี้คือเอาแค่เกิดอย่างเดียวทีนี้ผู้เชีสอนพวกเราพูดยังไงสอนต้องไปเกิดจนตายแต่เราก็ไม่จํา สต้ต่เรื่องเกิดจึตายไม่ได้สอนธรรมดาเรื่องเอาเป็นเอาตายสุดท้ายก็ให้เข้าใจเรื่องเกิดหรือตายสองคับนบนโลกไปนีเข้าใจว่ามันเกิดกับตายเนี่ยมันสภาพดูผลของการเกิดเป็นาผลขกตายอย่า ง, งาานาง่ถ้าเราเลิกไม่ออกก็ขับวุติชา เป็นต้นแบบขบถทำกระนังพระชานี้เขาก็ไปยาดเปิดกันแเอาขุนยวัลไปที่พึ่งเมื่อเอาพยาไปที่พึ่งก็เ อ, เอ า, พ า, พอเอาอรพแนวความคิดเอาความคิดขบุญเจา้าแนวความคิดราความคิดกระบวนการความคิดของพวกมันคิดยังไงเขาแค่เรื่องเกิดเวลานั่งภาวนาก็พิจารณาเพรานั้นต้องไม่เกิดเป็นยามันก็ได้แค่สัญญายอย่างนี้ เอาไปคิดว่าอาการเกิดคำว่าเกิดคำเดียวนะเราพิจารณาให้มันทีทู่นมามันมีผลกระทบต่อคนต่อสัตว์ต่อมนุษย์อย่างไรทำํำไมเกิดมาแล้วแต่ละค น, มน ไ, มไม่เหมือนกันเลยเหตุผลคืออะไรอันนี้เรียกว่าคิดแบบมีผลมนุษย์มีคิดสองแบบนะคิดแบบหนึ่งคือคิดแบบมีผลอันมีเป้าหมายชัดเจนคิดแบบหนึ่งมันไม่มีเหุผล คืเป็นเรื่องเปื่อยเหมือ น, นคิดตั ว, วนึงอเอกาะจับเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นนี้สุดท้ายก็ไม่มีแังสุดสุคิดอย่างผูย้ยากคนแบบนี้เลยคนสมมติเราคิดเรื่องเขาว่าเกิดยังไงทําไมคนเราไม่เหมือนกันยิพัสแต่คนเลยสิ่งที่มันพุางกดดูอยู่ในโลกใบนี้เริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตมีนอย่าณรองจะเรียกว่าสัตารเรียกว่าคน เอาแค่สองเรื่องหรืออื่เราไม่ต้องมาพูดถึงทำไมคนกับสัตว์แตกต่างกันคนกับสัตว์แตกต่างตรงไหนกินเหมือนกันเสรษฐกิจเหมือนกันเราม่ต่างกันตรงไหนเราเรามีกินไม่มีกินเสรกิจไม่เสืกอมกันคำถามคือต่างกันตรงไหนเหมือนกันี้ มันแตก ต, ต่างกันท่างนั้นคือรูปปัจจัยสี่ทิ่ฐะหากัะตั้งชีวิตและที่สำคัญคือจิตใจพอเป็นสภาพแบบนี้แล้วแก้ไขไม่ได้เขามาแล้วแก้ไขไม่ได้หมายถึงสัตว์อเอาง่ายๆคือสัตว์เดรัจฉานนะกูมหอยปูปลาจางมากกควายเหมือนเราหนด้วอย่าง เผาพัฒนาได้ไหมเรียนหนังสือก็แก่ก็แก่ได้ไหมไม่ได้ต้องรับสภาพอย่างนั้นทั้งชีวิตคือต้องไปเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย <S <S 2> <S 2> พวกเราวังมองดู ถ, <S 2> <S 2> <S 2> ถึงเวลากินขากินๆแดนไม่ต้องมปปิ้งต้องไปย่างคิว่ากกหา้ากินซึ่งจากกับคนกับมาน มันก็เริ่มเรื่องอันนี้คืออย่างเริ่มเรียนเข้าหนังเป็นคนอย่างเรามีสั่งห้านเหมือนกันคนเราแต่มีสติสัพปัญญาบ้างคือรู้ดีรู้ชัวแต่จะทําดีหรือไม่ทําดีอีกเรื่องหนึ่งแต่รู้คือมีสติสัพปัญญารู้ว่าอันนี้ดีนี้ไม่ดีรู้แต่ทํา ไ, ไ, ดททได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึงที่ทําได้ไม่ได้เพราะไม่ฝึก รู้แต่ว่ามันดีแต่ไม่ทำรู้แต่ว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีแต่ทำอย่างอย่างในประเภทนี้ก็เรืองอคนแต่จ ร, ริงจรกงกับพวกนี้มีสินบ้างไม่มีสินบ้างมีสินห้าไม่ครบนี่นคือคนเราจะได้จัดประเภทเราถูกว่าเราอยู่ในประเภทไหนหรือคนเริ่มมีสินเพราะนั้นความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ เริ่มเห็นชัดเจนว่าเออมันตัวสิ่งนี่แหละเป็นตัวบอกถ้าเป็นคนอยู่ดีดีนี่สิ่งไม่มีสักตัวหมายถึงจิตมันเป็นคนไม่ได้เป็นแต่ร่างกายแตกใจเป็นคนไม่ได้เลยเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี่โหดเที่ยมอัมหิตสร้างในร่างของคนนี่แหละเรียกตัวเองเป็นคนนี่แหละมีขาวทุกวันตีทุกวันเห็นทุกวัน ก็สูงขึ้นมาหนกับมนุษย์มนุษย์คือคนมีสินสินห้างครบที่ได้รับไปเนี่ยแต่เราไปจะได้รักษาได้สักกี่ชั่วโมงอีเรื่องหนึ่งในถ้าใครมีอย่างนี้หน้ามนุษย์ล่ะคือสูงกว่ามนุษย์ศาสตร์เราสูงใจสูงสูงกว่าคนสูงกว่าจักรสูงกว่าโดยวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำมันต่างกันเราเราเหลนะ่านั้นที่เรียกว่ามนุษย์ ถ้าใครจะเรียกตัยงมนุษย์เต็มปากเต็มคได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งห้ามเลยเขาเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกเป็นได้แค่คนมนเราจะเห็นเ่าคนที่เป็นคนอ่เยอะมากโลกนี้เป็นแปดพันล้านคนในแปดพันล้านคนไม่ได้เปลนคถืออย่างพวกเราหมดแบ่งไปตามความเชื่อของศาสนานั้นๆเหลือที่เป็นมีที่กี่คนหลักร้อย จากหลักพันล้านไปพันล้านหรือหลักร้อยแม้ว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆนิดน้อยน้อยมาเขาเป็นมนุษย์สมบูรณ์คือมีสินค้าสมบณเสร็จแล้วพระทีนี้พระอะไรใจประเสริฐคนที่ใจประเสริฐนั้นจะต้องคิดที่เรื่องที่มันประเสริฐเรื่องดีๆพูดก็ต้องพูดเป็นเรื่องดีๆๆ เราเมืองกระทำคือปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ดีนี่คือพระไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับผู้หญิงไม่เกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับคารวะญาติโยมประสมค์องค์เนีย่ยถ้าใครมีกระบวนการแบบนี้ก็ได้คือพระคือใจเป็นพระเพราะฉะนั้นทุกคนบอกว่าเป็นพระได้เป็นพระที่ใจไม่ได้เป็นที่กายกายในสมมติ เริ่มเริ่มมีปฏิเสธพระท่านเข้าใจหมายกับว่าพระรัตนตรัยสมบูรณ์สมบูรณ์หมายกาบว่าพพุทธเจ้าประทานประสงค์เอายึดเป็นสารณะยึดเป็นคือเอาชีวิตเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นบันไดขั้นแรกของพระอริยะก็คืออันนี้แหละพระตนตัยท่านมั่นคงคือเอาชีวิตเป็นที่ตั้ง ต่อให้เอาไปตัดคอท่านก็บอกว่านับถือพระรัตนตรัเท่าชีวิตมากกว่าชีวิตเนื้อกว่าชีวิตนี่ก็แตกต่างตัวต่างกับพวกเราพวกเราหมอก็ทั่วๆไปนี่คือบันไดขั้นแรกถ้าปัญหาขั้นแรกเรายังเดือยไม่ได้เลยไม่มีทางสองสามสี่จะขึ้นไปได้ที่ไปต่อมีอะไไม่มีเป็นอันเอาแค่พื้นฐานก็คือการเคลื่อนของรับคืสิีนี่แหละเป็นพื้นฐาน ต่อไปคืสมาธิมันคงไม่มันไหวแต่ใจรปัญญาอยู่ยอดหมดต้นมม้พอเห็นต้นไม้นึกถึงอะไมื่อนึถึงเราทันทีอบอต้นไม้มันมันตั้งคุญกุศลไม่ได้ในขณะเดียวกันยอดมันต้องไปมากครับยอดลักษณะของต้นไม้มันต้องอ่อนเพราะนั้นคนที่มีปัญญามันต้องเป็นคนอ่อนโยนไม่ใช่คนแข็งกระด้าง ต้นไม้ถ้าแข็งเมื่อไหร่หักยอดของต้นไม้แต่ถ้าอ่อนมันก็โอนเอไปตามลมมันไม่หักก็มีปัญญาดำรงชีวิตยอยู่อย่างนั้นในส่วนปัญญาทีนี้ความแตกต่างระหว่างเกิดกับไม่เกิดคือพระอริยะพระอานมีผูช้ชอบเป็นประธานเป็นต้นท่านถอนราบถอนโคลหมดแล้ว อูยังไงก็มีขึ้นรัแก่รักปล่อยรักกระหน่ำท่านตัดหมดแล้วมันไม่เกิดอีกก็คือไม่มาเกิดเหมือนพวกเราอีกอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้มามองเห็นเพราะนั้นวันนี้จึงเปวันสำคัญวันหนึ่งจึงมาเชิญชวนให้พวกเราปฏิบัติคําว่าปฏิบัติเราก็ากจะได้ถึงวัดเป็นหลักแล้วถ้าวัานไหน ภาวไม่ได้ ก, ปดดกานาน็ปฏิบัติไม่ได้นี่เขาจะผิดกรรมนานสรุปคือถ้าอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้ทํำไม่ลับตาไม่เรียบปฏิบัติเราก็จันทร์ไปนี้มานานนี่คือสัญญาณจริงๆลืมตาปฏิบัติได้หลักตายก็ปฏิบัติได้ไไดที่ให้หลักตายเพราะไม่ต้องการมันไม่ต้องควรหลัลกมุเราตรมันก็จะเหลือแต่คือภาระมันน้อย มัน ง, งั้นไม่กินมัจะส่งไปดำตาดำหงว์ไปคือการรุโกรนคือไม่มีใจสมาธิการเป็นสมาธิมันก็น้อยอันแรกคือปิดปากปิดตาแล้วก็เปิดใจที่สำคัญวันนี้จะมี็วันสําคัญที่พวกเราควร <c oughs> ที่จะเอาพระองค์เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างต้นแบบในเรื่องของความคิดว่าพระองคคิดได้อย่างไรในการลงชีิต ต้องเป็นคำพูดคำพูดของพระุทธเจ้าคือท่านพูดอย่างไรท่านทาอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นไม่มีคำไหนเป็นระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่เป็นความจริงท่านพูดเฉพาะที่เป็นความจริงในอุสัชฌาคือพรุทธเจ้าพวกเรากวรจะเรียนแบงก็เอาตัวอย่างก็ณีเมื่อพุทธทางธรรมังจักรแสังให้ชัดนี้งั้นมันก็ได้แค่แค่นี้แหละ เจอหน้าพระกับพุทธังแสดงกิจามีธรรมังแลังกิจามีทมมั้ทงครั้งเราปนาดิปาตาอยู่อย่างนี้แหละไอ้กายเป็นแค่อัเปลือกพลังงานเห็นตัณมาคือเปลือกเดี๋ยวมันก็หลุดมันดีหน่อยเลยถ้ามันทําได้ไประจัะนมันกลายเป็นกระพี้นิดหนึ่งเลยเปิดอกเข้ามาโดยสเก็ดเลยเปลือก เ, าาย เ, กเลยเลกระพี้แต่ไม่เข้าถึงแก่นเลยไม่ได้พูดถึงแก่นาศาสนาเลยอันนี้คือความสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรา มีวิธีชิดเดือนเนี่ยเราก็เข้ามาถึงแก่นของศ า, ศาสนาทแท้จริงคือเข้ามาถึงแก่นของปัญญาเราก็ได้ไค่เปลือกนะแค่กับพี่ือนที่เราทำทุกวันเนียคมันเนียเรื่องนี้มั น, น, นมีใครผิดไม่มีใครถูกพงแต่จะบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตปัจจุบันทำอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลของกงารทำเราก็ได้แค่เปลือกนะเราก็ได้แค่กับพี่นะ เราจะไม่เข้าใจอะไรมากไบกวนเพราเราเข้ามาถึงแก่นคือม่นเข้าถึงแก่นของธรรมเราก็ได้การ น, นี้แต่ก็ยังดียังดีไม่ความเข้าใจเลยคือไม่เข้าวัดฟังธรรมจำถึงพานาเลยอันนี้หนักหนักเลยมีการห้ามเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้การห้ามเป็นประโยชน์มันก็มาจากับช่างห้าวโวควายมีการห้ามเหมือนเราแต่ว่าหมดลมหายใจแล้วก็ไปทํางไมนก็ไม่รู้ จิตไปไหนก็ไม่รู้ตนนี้พวกเราถือวโชคดีนี้ได้พรเจอพุทธศาสนาได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอสมภารต่อเจอกายานามิตรสาคัญชักชวนกันในทางที่ดีเรียกว่ากายานามิตรสวนชักชวนในทางที่ไม่ดีพยายามหีกเลี่ยงวันนี้ก็ขออนุโมทนาความดีที่พวกเราทั้งหลายได้มา นอนเราได้ถึงคนของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์อย่างแท้จริงนี่คือที่พึ่งอันมั่นคงที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งที่เราพึ่งได้จริงๆที่พึ่งที่เราไม่อยู่ทั้งชีวิตพึ่งไม่ได้ปัจจัยเสียแก่เฒ่าของมีค่าทรัพย์สินที่หมดพึ่งไม่ได้ซักบาทยามาเอาหนึ่บาทนึงยัดใส่บาทแต่ก็ไม่ได้เป็นสัญลักษณเฉยธรรมะตั้งชีวิตแต่บาทเดียว แล้มัคุม้มหนชีวิตแล้วก็ขออนุโมทนาอีกครั้งที่พวกเราทงหลายได้ทั้งจิตตั้งใจมาฟังวามจําสืบภาวนาในวันนีน้ได้ส